ร่างอภิธรรมคำที่สองวิพังวิพังแปลว่าแจกแจงหรือจำแนกความคืออธิบายหลัก ร, รมสำคัญสำคัญเช่นขันธ์อายตนะอริยสัจปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นโดยแยกยะรายละเอียดกระจายออกให้เห็นทุกแง่จนชัดเจนจบเป็นเรื่องเรื่องอธิบายเรื่องใดก็เรียกว่าวิพังของเรื่องนั้น เช่นอธิบายเรื่องขันห้าก็เรียกว่าขันทวิพังอธิบายเรื่องอริยสัจสีก็เรียกว่าสัจจวิพังเป็นต้น 1. ขันทวิพังแจกแจงเรื่องขันห้า 2. องอายตนะวิพังแจกแจงเรื่องอายตนะสิบองาธาตุวิพังแจกแจงเรื่องธาตุ สสัจจวิพังแจกแจงเรื่องอริยสัจสี่หอินทริยวิพังแจกแจงเรื่องอินทรีย์22 6. ปัจจยาการาวิพังแจกแจงเรื่องปฏิจจสมุ ป, ปบาท12 7. สติปัทานวิพังแจกแจงเรื่องสติปัฐาน4 8 สัมมัตประธา น, นาวิพังแจกแจงเรื่องสัมมัตประธานส 9. อิทธิปาทวิพังแจกแจงเรื่องอิทธิบาทส10โภชังคาวิพังแจกแจงเรื่องโพชงเจ็ดสอ็ดมรควิพังแจกแจงเรื่องมรคมีองค์8 12. บชาณวิพัง แจกแจงเรื่องรูปฌานอรูปฌานสิบสาอปมัญญาวิพังแจกแจงเรื่องอัปมัญญาสี่สิสิกขาปะทะวิพังแจกแจงเรื่องศีลห้าปฏิสัมพิทาวิพังแจกแจงเรื่องปฏิสัมพิทาสี่สยานวิพัง แจกแจงเรื่องยานประเภทต่างๆ 17. ขุทธกะวัตถุวิพังแจกแจงเรื่องเบตเตเลตคืออกุศลละธรรมต่างๆมากมาย 18. ธรรมะหาไทยวิพัง์แจกแจงเรื่องหัวใจธรรมะคือหลักธรรมสาคัญต่างๆที่ควรรู้วิธีอธิบายวิพัง์นี้ดําเนินไปอย่างมีระเบียบ พูดไปทีละแง่ทีละแง่เพื่อให้ได้ความหมายและทราบรายละเอียดต่างๆปรากฏออกมาชัดเจนแทบทุกเรื่องหรือแทบทุกวิพังจะมีการอธิบายตามลำดับขั้นตอนคล้ายคลึงกันคือแบ่งเป็นกสุตตันตภาชนีจำแนกความแบบพระสูตรหรืออธิบายตามแนวพระสูตรขออภิธรรมภาชนี จำแนกความอภิธรรมหรืออธิบายตามแนวอภิธรรมคอปัญหาปุจจกะภาคถามปัญหาคือตั้งคำถามให้วินิจัยเรื่องนั้นตามหลักมาติกาที่กล่าวแล้วในสังคณีเช่นในขันธวิพังจะถามว่าในขันห้ากี่ขันเป็นอกุศลกี่ขันเป็นอัพยกฤิตกี่ขันเป็นโลกิยะ กี่ขันเป็นโลกุตระอย่างไรก็ตามวิพังเทศท้ายมักไม่มีภาคปัญหาปุจฉกะวิพังทั้ง18ปอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันคือเล่มที่สามสิบห้าพระอภิธรรมปิดกคำผีที่สามทาตุกกถาทาตุกถาแปลว่า ถแถลงเรื่องธาตุเป็นชื่อที่ตัดให้สั้นชื่อเต็มควรจะเป็นขันธายตนะทาตุกถาแปลว่าถแถลงเรื่องขันธายตนะและธาตุเป็นคำภีว่าด้วยการสงเคราะห์คือนำเอาข้อธรรมะต่างๆมาจัดเข้าในขันห้าอายตนะสิองและธาตุปดว่าข้อไหนจัดเข้าได้ข้อไหนจัดเข้าไม่ได้ จัดเข้าได้ในขันใดาอายตนะใดหรือธาตุใดกี่อย่างจัดเข้าได้กี่อย่างจัดเข้าไม่ได้ข้อไหนประกอบกันได้ข้อไหนประกอบกันไม่ได้เช่นอิทธิบาทสงเคราะห์ได้คือจัดเข้าได้ในขันสองอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งสงเคราะห์ไม่ได้คือจัดเข้าไม่ได้ในขันสาอายตนะสิบ ท่าสิบหกดังนี้เป็นต้นข้อธรรมะที่นำมาพิจารณาจัดเข้าได้แก่ธรรมะต่างๆในมาติกาทั้งหลายและข้อธรรมะอื่นๆอีกหนึ่งอยี่สิบห้าอย่างคือขันห้าอายตนะสิบสองท่าสิบแปดสัจจะสี่อินรียี่สิบสองปฏิจสมุติบาบาสิบสองสติปทาน 4, สส ม, มัปิปทานสี่ อิทธิบาทสี่ชาญสี่อัปปมัญญาสี่อินสีห้าภละห้าโูชงเจ็ดมักมีองค์แปดพัฒสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตอธิโมกมนสิการพระอภิธรรมปิดกคำภีที่สี่ปุคละบัญญัติปุคละบัญญัติ แปลว่าการบัญญัติบุคคลหมายความว่าบัญญัติความหมายของชื่อที่ใช้เรียกบุคคลประเภทต่างๆตามคุณธรรมที่มีอยู่ในบุคคลนั้นๆเช่นบัญญัติความหมายของคําว่าพระโสดาบันว่าบุคคลอย่างไหนเป็นโสดาบันบุคคลใดละสังโยชน์สามแล้วบุคคลนั้นเรียกว่าโสดาบันคาว่าเสขะ ก็ว่าบุคคลอย่างไหนเป็นเสขะบุคคลสี่ที่ประกอบด้วยมรักบุคคลสผู้ประกอบด้วยผลชื่อว่าเป็นเสขะคำว่าปัจเจกพุท ธ, ธะก็ว่าบุคคลอย่างไรเป็นพระปัจเจกพุท ธ, ธะบุคคลบางท่านในโลกนี้ย่อมตรัสรู้เองซึ่งสัจจะทั้งหลายในบรรดาธรรมะที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน แต่ไม่บรรลุความเป็นสัพพัญญูในธรรมะเหล่านั้นทั้งไม่ถึงความชำนาญในธรรมะอันเป็นกําลังทั้งหลายบุคคล น, นี้เรียกว่าพระปจเจกขพุทธดังนี้เป็นต้นวิธีการอธิบายในปุคละบัญญัติท่านเอาบุคคลประเภทต่างมาจัดเรียงเป็นมาติกาคือแม่บทก่อนตามลำดับเลขจำนวนคือหมวดบุคคลหนึ่ง หมวดบุคคลสองหมวดบุคคลสามสี่ห้าเรื่อยไปจนถึงหมวดบุคคล10บจากนั้นจึงทำเป็นนิเทศคือขยายความหรืออธิบายแสดงความหมายไปตามลำดับทีละประเภทจนครบถึงสิบหมวดธาตุกาถาและปุคละบัญญัติเป็นคำภีสั้นๆรวมสองคำภีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันคือเล่มที่ส6 พระอภิธรรมปีดกคาพีที่หกถาวัตถุกถาวัตถุแปล ว, ว่าเรื่องสำหรับสนทนาเรื่องที่เป็นข้อพูดจาหรือเรื่องที่เอามาถกกันเป็นคาพีที่พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระผู้เป็นประธานแห่งการสังคายนาครั้งที่สามเรียบเรียงขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช234 เพื่อแก้ทัศนะผิดพลาดทั้งหลายของนิกายต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนั้นซึ่งขณะนั้นมีนิกายที่ถือผิดรวม17นิกายเมื่อรวมกับเทรวาดด้วยขณะนั้นก็มีอยู่18นิกายและชี้มติที่ถูกต้องอันเป็นการเชื่อชูหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาที่สืบมาในเทรวาด เรื่องหรือหัวข้อที่นำมาถกหรือถแถลงแก้เรียกว่ากถามีทั้งหมดสองิเกกถาเรียบเรียงเป็นบทสนทนาถามตอบหรือปุจฉาวิสัญญากันจัดเป็นวรคหรือหมวดได้ยี่สิบสามวัยกตัวอย่างเรื่องที่น่าสนใจในบรรดาสองิเกเรื่องนั้นเช่นพระอรหันเสื่อมจากอารหั ต, ตผลได้หรือไม่กุศลละมูล สืบต่ออากุศลลมูลได้หรือไม่พระเสขะรู้จิตของพระอเศขะได้หรือไม่พระพุทธเจ้าเคยทรงดำรงพระชนอยู่ในโลกจริงหรือไม่พระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันยังมียิ่งย่อนกว่ากันหรือไม่เทวดามีการประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่บุคคลส่งความสุขให้แก่กันได้หรือไม่กถาวัตถุ อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่37